บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปเนื่องจากในวันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯอย่างที่ทราบกันแล้วตามปกติเมื่อวันคล้ายวันประสูติของสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ ก็มักจะมีการบําเพ็ญจิตภาวนาเพื่ออุทิศ ร, ราชกุศลถวายแดบบ่รลองท่านเพื่อมีประชชนมายุยิ่งยืดนานกันมาโดยลำดับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาอยู่ในฐานะที่เป็นที่เคารพรักของพระสกนิกรภายในชาติปานเมืองอย่างที่ประจักษ์แก่ใจของท่านทั้งหลายอยู่แล้วดังนั้นในวันนี้ก็จะได้ปรารภถึงธรรมะ ให้ส่วนที่เกี่ยวกับเทพหรือเทวะตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้เทพหรือเทวะนั้นแปลว่าผู้อยู่อย่างสำราญผู้ไปไหนไปไหนมาไหนได้โดยไม่ติดขัดผู้ที่มีความสุขความอิบอิ่มเป็นอาหารและยังมีความหมายอีก หลายนัยยะด้วยกันท่านจัดประเภทของเทพไว้เป็น3ประเภทด้วยกันคือสมมติเทพเป็นเทพโดยสมมติได้แก่บุคคลที่ได้รับยกย่องไว้ในฐานะเป็นผู้ใหญ่สูงสุดเป็นประมุขแห่งนเรชนในชาติบ้านเมืองหล่านั้นในข้อนี้ทางพรู้ตุตศ า, าสนาก็ยอมรับเพราะเป็นความจริงขั้นส ม, มตุตติสัจจะ ซึ่งมีการกำหนดหมายมีการสมมติกันทุกยุคทุกสมัยและในถิ่นนั้นๆอย่างผูทธต่ดำรับที่สัตว์ไว้ว่าในหมู่คนที่ยังถือชาติถือโคตกันอยู่นั้นกษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดดังนั้นกษัตริย์จึงชื่อว่าเป็นสมมติเทพในหมู่ปนุษเทพประการที่สองเรียกว่าอุปัติเทพ คือเป็นเทวดาโดยกำเนิดได้แก่ท่านที่เกิดโดยกำเนิดที่เรียกว่าอุป ป, ปาธิกะเป็นการถือกำเนิดด้วยบุญญาธิการที่ท่านเหล่านั้นได้สั่งสมแบบรวมไว้ในภกชาตินั้นนบุญกุศลเหล่านั้นมีกําลังมากพอที่จะทําให้ท่านอุบัติเป็นเทพซึ่งปรากฏเรื่องราวในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเป็นนันมาก เทพประการที่สามเรียกว่าวิสุทธทิเทพเป็นเทพโดยความบริสุทธิ์เทพนี้โดยความหมายสูงสุดจริงๆแล้วก็หมายถึงพระอระหันต์แต่ในขณะเดียวกันก็มีความหมายที่ลดหลั่นกันลงมาโดยลำดับสรุปว่าเป็นเทพโดยธรรมะเนื่องจากพระพุทธศาสนาเราเป็นสัจจนิยมคือนิยมความจริงความจริงเป็นอย่างไรก็กาหนด การอย่างนั้นแสดงกันอย่างนั้นวิสุทธิเทพจึงถือว่าเป็นเทพที่สูงสุดในบรรดาเทพทั้งหลายญยางายะแห่งพระพุทธดารัสที่ทรงแสดงในตอนต่อมาว่าท่านผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาคือความรู้และเจรณะคือความประพฤติเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั้นจึงเป็นการที่จะเห็นได้ว่า โดยอัตภาพร่างกายแห่งมนุษย์นี้เองบุคคลสามารถอาศัยร่างกายที่มีความเปื่อยน้าวผุพังไปตามธรรมดาของสังขาร น, นั้นสร้างภาวะด้านจิตใจให้เกิดเป็นเทพขึ้นมาได้โดยธรรมถึงแม้จะไม่เข้าถึงความเป็นเทพที่สูงสุดคือเป็นพระอราหันต์แต่สามารถที่จะเป็นเทพในระดับที่ลดหลั่นลงมาได้โดยลาดับ นั่นก็คือดูจากผลที่เกิดขึ้นแก่จิตใจของบุคคลผู้นั้นหลังจากได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักที่ทรงแสดงเอาไว้ได้แก่ความสุข ก, กายความสบายใจมีลักษณะโปรงเบาไม่มีเวรไม่มีภยัยจะไปไหนก็ต้องไม่หวาดหวัน่นต่อพยานอันตรายต่างๆสามารถเที่ยวเล่นอย่างสำรัญมีความเอิบอิม่มมีความปีติมีความสุขเป็นพื้นของจิตใจอ ย, อยู่ ดังนั้นโดยนายนี้จึงแสดงธรรมะที่ทาให้บุคคลเป็นเทพไวหลายหมวดด้วยกันแต่ละหมวดนั้นถึงแม้ว่าองค์ธรรมจะผิดแผกแตกต่างกันออกไปแต่ถ้าจะเริ่มที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วองค์ธรรมในหมวดนั้ น, น, นก็จะบังเกิดขึ้นเองดังนั้นในที่นี้จะกล่าวถึงธรรมะที่ทรงแสดงว่าทำให้บุคคลเป็นเทพ สองประการด้วยกันทั้งๆ ท, ที่เป็นธรรมะที่แพร่หลายมากแล้วก็ทราบกันโดยทั่วๆไปแต่ในชั้นของการประพฤติปฏิบัติบุคคลก็จะมองเห็นว่าเป็นเรื่องยากยิ่งในการที่จะทวนกระแสกิเลสกระแสอารมณ์ขึ้นไปยืนอยู่ในจุดของความมีธรรมะเป็นหลักใจข้อนี้ได้ส่งแสดงว่าผู้สมบูรณ์ด้วย หิริคือความละอายต่อบาปโอตปะคือความสะดุ้งกลัวต่อบาปสัตว์บุรุษทั้งหลายในโลกนี้เรียกบุคคล น, นั้นว่ามีเทวธรรมคือมีธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาธรรมะคือหิริโอตปะจึงเรียกโดยนัยาหนึ่งว่าเป็นมโนธรรมคือธรรมะที่ค่อยๆเกิดขึ้นพัฒนาขึ้นโดยลำดับ ภายในจิตใจของบุคคลในชั้นแรกอาจจะอาศัยเงื่อนไขต่างๆทั้งที่เป็นภายในและทั้งที่เป็นภายนอกแต่เมื่อเงื่อนไขเหล่านั้นมีมากพอปัจจัยต่างๆข้าสนับสนุนมากพอก็กลายเป็นหลักที่คุ้มครองใจใจของบุคคลจะมีมีปฏิกิริยาต่ออารมณ์ที่เป็นสื่อแห่งบาปแห่งอกุศลได้โดยอัตโนมัติ ดิจึงมีลักษณะรู้สึกละอายต่อสิ่งที่เป็นบาปต่อการกระทำบาปไม่ว่าบาปนั้นจะกระทำในที่รับหรือว่าในที่แจ้งก็ตามเพราะอะไรเพราะว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วที่รับในการกระทำบาปนั้นไม่มีในตำนองเดียวกันที่รับในการกระทำบุญก็ไม่มีเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่า เมื่อการกระทาที่ประกอบด้วยกุศลนละเจตนาและอกุศลนัลเจตนาที่บุคคลได้กระทาลงไปทั้งทางกายทางบาจารหรือแม้แต่คิดด้วยใจถ้าเป็นบาปก็เป็นบาปไปเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นบุญก็เป็นบุญไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าทั้งต่อหน้าคนหรือรับหลังคนก็ตามิริจึงเป็นธรรมะที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทาหน้าที่ขีดการอากุศลโทษทุจริตต่างๆให้ออกไปจากจิตใจได้ แต่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้โดยง่ายเพราะอะไรเพราะว่าภายในจิตสำนึกของบุคคลนั้นถ้าลองตรวจสอบดูให้ลึกลงไปภายในจิตใจจะมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของกิเลสที่มีอวิชชาคือความไม่รู้เป็นต้นง้ามสําแดงออกมาในรูปของโมหะของโทสะของโลภะพื้นใจของบุคคลจึงมีความหลง เป็นพื้นแต่อาศัยเงื่อนไขต่างๆได้บีบบังคับเอาไว้อารมณ์เหล่านั้นจึงไม่ค่อยแสดงออกมาชัดแจ้งนะักแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเหตุปัจจัยอํานวยให้ก็พร้อมที่จะแสดงตัวออกมาบางครั้งบางคราวกไ็ไม่น่าเชื่อว่านั่นคือพฤติกรรมของบุคคลที่ได้ชื่อว่ามนุษย์ข้อนีถ้าหากว่า ท่านทั้งหลายได้ติดตามข่าวกราวของเรื่องโลกก็จะพบว่าเมื่อประมาณสองปีมานี้ได้มีไฟดับในนิวยอร์ครยะหนึ่งเป็นเวลาหลายชั่วโมงคนในประเทศนั้นที่เรายกย่องกันว่าเป็นประเทศที่จเจริญแล้วเป็นอารยชนเป็นต้นแต่เมื่อปัจจัยคือความมืดข้าสนับสนุนให้แต่ละคนก็สวมวิญญาณสัตว์ป่าออกมาอารวา ค ด, ดีอาชากรรมนับกันไม่หวัดไม่ไหวไม่มีใครจัดการใครได้นี่แสดงให้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วหิริโอตปาที่มีอยู่นั้นมีกําลังน้อยไม่พอที่จะคุ้มครองใจเพราะมีสิ่งที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ละเมิดศีลธรรมจัร ญ, ญาได้หิริที่มีกําลังอ่อนอยู่แล้วก็ต้านทานป้องกันอะไรไว้ไม่ได้คนก็แสดงพฤติกรรมในลักษณะฮริโขดออกมา เป็นทํานองสัญชาตยานดิบหรือสัญชาตยานป่าถึงตามปกติก็ซ่อนเร้นอยู่ภายในจิตใจของบุคคลพระพุทมีพระภัก์เจ้าจึงทรงแสดงไว้ว่าฮิริโอตปะเป็นโลกกับปาและธรรมเป็นธรรมะที่คุ้มครองโลกเอาไว้ซึ่งก็หมายความว่าปริมาณของฮิริที่จะทำหน้าที่คุ้มครองจะต้องมีปริมาณมากพอคล้ายๆกับหลังคาที่คุ้มครองบ้านเรือน หลังคาก็ต้องมีปริมาณมากก่อไม่ใช่ว่ามุงเพียงเล็กน้อยแลยจะคุ้มครองได้มันก็ต้องมุงกันหมดทั้งบ้านและจะต้องยื่นออกไปเหนือขอบบ้านเหล่านั้นถึงสามารถคุ้มครองบ้านได้ชั้นใดธรมะคืิริและอุตตระก็มีลักษณะเช่นเดียวกันชั้นนั้นปนัญหาที่น่าศึกษาประการต่อไปถึงเหตุเกิดของหิริว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรท่านแสดงว่าหิรินั้นเกิดขึ้นจากปัจจัยที่เป็นภายใน คือมีการปรารบตนเป็นเหตุให้บังเกิดขึ้นในชั้นแรกก็คือเรื่องของกําเนิดสกุลที่บุคคลเหล่านั้นอุบัติถ้ากว่าใครได้อุบัติบังเกิดในกําเนิดในสกุลที่มีศีลธรรมมีจัญญาที่เรียกว่าสกุลสัมมาทิฏฐิซึ่งตามปกติในแง่ของสังสารวัฏเองคนที่มาเกิดในสกุลนั้นก็มีพื้นของกุศลแธรรมสูงอยู่แล้วและมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นพิษเป็นภยัย แต่เป็นปัจจัยเกื้อกูลสนับสนุนให้ศีลธรรมจัญญามีความเจริญงอกงามขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นเรียโอตระก็เกิดขึ้นสูงได้ภายในใจของคนแม้จะยังเป็นเด็กอยู่ก็ตามประการที่สองคืออายุที่ล่วงการผ่านไวัยมามากขึ้นมีการพบเห็นมากข่าวมีการสังเกตพิจารณาอยู่บ่อยๆก็จะเห็นถึงผลต่างระหว่างการกระทำที่ลุ แก่อำนาจของอารมณ์กับการกระทาที่ยุติโดยหลักของเหตุผลว่ามีผลแตกต่างกันบุคคลเหล่านั้นก็จะใช้ความเพียรพยายามขาจัดสายเหตุแห่งความทุกข์ต้องรู้อำนาจแห่งอารมณ์ออกไปได้โดยลำดับก็เป็นตัวเสริมสร้างให้บังเกิดทีริโอตปะขึ้นภายในจิตใจอีกประการหนึ่งประการที่สามนั้นคือระบบการศึกษาที่มีส่วนในการพัฒนาจิตใจของบุคคล ซึงว่าที่จริงต้องเน้นไปในด้านการศึกษาเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมเระมุ่งการศึกษาการวิเคราะห์การตรวจสอบถึงพฤติกรรมของตัวเองถึงจิตใจของตัวเองไม่ได้มุ่งเรียนรู้ถึงปัจจัยภายนอกแต่มุ่งแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแก่ตนตามแนวของอริยสัจ4ี่อย่างที่สับกันมาโดยลําดับนั้นการศึกษาในระดับนี้ ข้อสาคัญว่าให้บุคคลได้เกิดความทราบซึ้งในธรรมะเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นเองก็จะก่อให้เกิดเป็นธิริโอตปะขึ้นมาได้เช่นทราบซึ้งในเรื่องบาปเรื่องบุญทราบซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้าทราบซึ้งในสัจจะทราบซึ้งในเมตตาทราบซึ้งในกรุณาแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็เป็นปัจจัยให้เกิดทิริขึ้นมาได้ทั้งนั้นประการที่3มนั้นคือสภาพทางจิตที่จะต้องมีความเข้มแข็ง เด็ดเดียวจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าภายในจิตใจของบุคคล น, นั้นก็คือสนามหยุดที่ต่อสู้กันระหว่างกุศลกับอกุศลเป็นธรรมะธรรมะสงครามกันอยู่ตลอดระยะเวลาเวลารบกันนั้นฝ่ายไหนที่มีกาลังมากก็ชนะไปฝ่ายมีกาลังน้อยก็แพ้ไปแล้วก็มีการแพ้การชนะกันอยู่เรื่อยภายในสนามคือจิตใจของบุค ค, คลแต่ว่าจิตใจของบุคคลไม่มีความมั่นคงเข้มแข็งจริง ๆ, ๆแล้ว โอกาสที่จะหักเหออกไปนอกรูนอกทางก็มีได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีปณิทานแน่วแน่ว่าจะไม่รับสินบนไม่กินสินบนไม่สแสวงหาผลประโยชน์ในทางที่ไม่ชอบธรรมไอ้เงินจำนวนน้อยๆ น, น, นั้นก็อาจจะไม่เป็นไรแต่ในที่สุดถ้าเงินจานวนมากขึ้นมีสิ่งสอดแทรกมากขึ้นมันก็โยกคลอนจิตใจของบุคคลให้อ่อนไหวไปได้ทานองน้าหยดลงหิน หรืออย่างที่โบราณท่านบอกว่าเสาหินแปดอกตอกเป็นหลักมีคนผลักบ่อยเข้าซอยอย่างใยในที่สุดมันก็จิตใจก็ออกไปนอกรูกนอกทางได้บนเส้นทางชีวิตของบุคคลที่เริ่มต้นโวยอุดมคติอย่างคมขายและอย่างหนักแน่นนั้นมีเป็นจำนวนน้อยเท่านั้นที่เดินไปสู่จุดหมายปลายทางได้ทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าถูกหักเหออกไปนอกทิศทาง เนื่องจากความอ่อนไหวในด้านจิตใจคนบางคนประพฤติปฏิบัติดีกันมาโดยลำดับแล้วมาตกมาตายเะก่อนที่จะสิ้นชีวิตเท่านั้นเองนี้เพราะอะไรเพราะจิตใจ ย, ยังอ่อนไหวคีโอตปะก็มีกำลังน้อยไม่สามารถที่จะคุ้มครองป้องกันจิตใจของบุคคลได้ตลอดไปปัจจัยทั้งสี่ประการนี้ถึงแม้จะมีไม่มากแต่ปริมาณของปัจจัยจะต้องสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือด้านความเข้มแข็งทางด้านจิตใจนั้นเป็นตัวหลักที่มีความสําคัญมากเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งบางคราวฮิริอยู่ได้เพราะมีสายตาคนเห็นเพราะมีประจักษ์พยานเพราะมีคนอื่นมองดูการกระทําของตัวเองอยู่แต่ถ้าหากว่าปัจจัยเหล่านั้นไม่มีเช่อนอยู่ในที่ลับเป็นต้นไทริอ่อนจริงๆจิตใ จ, จไม่เข้มแข็งมากพอบุคคลก็ล่วงละเมิดสินธรรมจัร ญ, ญาปฏิบัติผิดลงไปได้ ธรรมะทั้งสี่ประการซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างฮิรินั้นจึงต้องมีการเพิ่มพูนมีการสร้างความสำนึกขึ้นโดยลำดับประการต่อไปก็คือเรื่องของอดตบะที่แปลว่าความสะดุ้งกลัวต่อบาสซึ่งหมายถึงว่าสะดุ้งกลัวต่อผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำบาสฮิรินั้นเป็นการละอายต่ อ, ตอเหตุคือสิ่งที่เราจะกระทำ เอออตปะนั้นสะดุ้งกลัวต่อผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําถ้าเรามองดูอีกมุมหนึ่งคืออะไรก็คือความเข้าใจเหตุผลของบุคคลนั้นนั่นเองสามารถโยงเหตุไปหาผลสามารถโยงผลมาหาเหตุได้ว่าถ้าประกอบเหตุเช่นนี้ผลจะออกมาอย่างนี้และเป็นผลที่ไม่พึงปรารถนามีความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตนก็ไม่ประกอบเหตุเช่นนั้นเพราะไม่ปรารถนาผลดังกล่าวหรือบางทีก็ดูที่ผลนัล้นโยงโยงก็ไปหาเหตุได้ว่า ผลที่เกิดขึ้นแก่บุคคล น, นั้นหรือแม้แก่ตนเองเป็นผลที่เกิดมาจากเหตุอะไรแล้วผลนั้นเป็นที่ต้องการหรือไม่ต้องการถ้าไม่ต้องการก็ละเว้นไม่กระทําเหตุเพราะตัวเองก็กลัวผลในลักษณะนั้นโอตรปะจึงต้องอิงอาศัยปัจจัยภายนอกมีความเคารพ บ, บุคคลอื่นเป็นพื้นอย่างหลักที่เคยกล่าวมาเสมอว่าในโลกกันกว้างใหญ่ไพศาลนี้พออาขจริงก็ไม่มีอะไร มีแต่คนเรากับคนมีแต่ตัวเรากับคนอื่นเท่านั้นถ้าคนเราสามารถเคารพตนเองและเคารพบุคคลอื่นได้การอยู่ร่วมกันภายในสังคมในแต่ละจุดของสังคมคือจุดจ่อยที่สุดได้แก่ตนเองจะถึงจุดจุดใหญ่ที่สุดคือโลกทั้งมวลก็จะอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขเพราะมีการเคารพต่อกันโอตปะนั้นั น, นบอกว่าเกิดขึ้นจากปัจจัยหลัก4ประการด้วยกัน ประการแรกก็มีความสำนึกว่าถ้ากระทำชั่วกระทำผิดไปในลักษณะนันนั น, นแม้แต่ตัวของเราเองก็จะติเตียนเราเองได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พปรปจิตได้พิจารณาเนืองๆว่าบอปจิตควรพิจารณาเนืองๆว่าตัวเราเองติเตียนเราเองโดยศีลได้หรือไม่นี้ก็ถือว่าเป็นมโนธรรมสำนึกเพราะตามปกติแล้วคนเรามัก ถนอมตัวเองรักตัวเองหลงตัวเองแล้วก็ปกป้องตัวเองไม่ยอมที่จะวิเคราะห์ตัดสินความผิดด้วยการกระทำของตัวเองถ้าจิตใจไม่ผ่องใสามากพอแล้วก็จะมองไม่เห็นโทษของตัวเองอย่างสัมนวนที่เราพูดกันว่าโทษผู้อื่นแร์เห็นเป็นภูเขาโทษของเราแลร์ไม่เห็นเท่าเส้นคน หรือโทษท่านผู้อื่นเพียงมเมล็ดงาปองติดฉินนินทาขอนเว้นโทษตนเท่าภูผาหนักยิ่งป้องปิดคิดซ่อนเร้นเรื่องร้ายหายสูญทำไมพฤติกรรมจึงออกมาในลักษณะนั้นก็เพราะว่าความถนอมตนความรักตนความหลงตนและความเห็นแก่ตัวซึ่งมีอยู่เป็นพื้อนอัธยาศัยอีกระการหนึ่งของบุคคลดังนั้นปริมาณของโอตปะปที่เกิดขึ้นจึงต้องสูงมากพอที่จะวินิจฉัยตัดสินตัวเองได้ ว่าการกระทําบางอย่างนั้นเมื่อเราทําไปแล้วแม้เราเองก็ติเตียนตัวเราเองได้ไม่จําเป็นจะต้องให้คนอื่นก็ติเตียนก็ไม่กระทําในกรรมกรรมเหล่านั้นประการที่สองนั้น <c oughs> <c oughs> บางครั้งบางคราวความหลงตนยังมีมากอยู่ก็ต้องอาศัยสายตาของวินญุชนเพราะวิญญานชนใคร่ครวญพินิพพิจนาแล้วตําหนิติเตียนต่อการกระทําเช่นนี้หรือไม่ ตาก็เห็นว่าท่านจะตำหนิติเตียนต่อการกระทำเหล่านั้นก็งดเว้นไม่กระทำเพราะแน่นอนว่าเหตุที่บุคคลกระทําแล้ววินยูชนติเตียนนั้นผลจะต้องออกมาเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนซึ่งไม่มีใครปรารถนาแล้วก็งดเว้นไม่กระทําสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลเช่นนั้นประการที่สามนั้นคือการเคารพกฎเกณฑ์กติกาเงื่อนไขของบ้านเมือง ซึ่งได้จาบัญญัติเอาไว้เป็นกฎหมายสำหรับบังคับความประพฤติของประชาชนถ้าใครฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามก็ต้องตัดสินลงโทษไปตามสมควรแก่กรณีปุคคลใ ห, ให้ให้ความสำคัญแก่ระเบียบ ก, ก, กฎเกณฑ์กฎหมายเหล่านั้นเห็นว่าถ้ า, ถาจะถ้าจะกระทาไปแล้วผลจะออกมาเป็นรูปของอาจจรคือผิดอาจจรบ้านเมืองต้องถูกจับกลุมคุมขังลงโทษเป็นต้นก็กลัวผลในลักษณะนั้น เนี้ยก็ไม่กระทำประการที่สี่นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากแต่ว่าฐานทางใจของบุคคลอ่อนเพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องที่เรารู้ไม่ได้ฐานที่จะเกิดสนับสนุนได้ก็ต้องอาศัยตถาคตโพธิสัตว์คือเชื่อการจัดสรูของพระพุทธเจ้าเป็นฐานใหญ่เอาไว้นั่นก็คือกลัวภาในนรกซึ่งลักษณะเหล่านี้ จากการศึกษาสมัยใหม่นั้นเนื่องจากบุคคลไม่ได้ศึกษาค้นคว้าในสายนี้มุ่งเน้นไปในเรื่องที่เป็นรูปวัตถุไม่ได้ศึกษาพัฒนาในด้านจิตใจก็มักจะเข้าใจว่าเรื่องสวรรค์นรกนั้นเป็นเรื่องที่คิดฝันเอาเป็นเรื่องของความไม่รู้แต่แท้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องของความรู้ระดับยานทีเดียวดังนั้นถ้าหากว่าบุคคลยังจับหลักอะไรไม่ได้ แต่อายตถาคตคโพธิสัตธาคือเชื่อการสัสรูของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงในรกสวรรค์เอาไว้เห็นว่าการกระทาที่เป็นบาปต่างๆนั้นมีผลทำให้บุคคลอุบัติบังเกิดในอบายก็ละเว้นไม่กระทากรรมเช่นนั้นหลักทั้งสี่ประการนี้จึงเป็นปัจจัยเข้าสนับสนุนให้บุคคลเกิดทีริเกิดอดเกิดอตปะขึ้นมาแต่แท้ได้จริงแล้ว ในสภาพการปัจจุบันนั้นบุคคลยังต้องอิงอาศัยสถาบันสถานที่ศึกษาสำนักของครูบาอาจารย์สกุลวงเป็นต้นเข้าสนับสนุนได้อีกเป็นจำนวมากแต่ละอย่างก็เป็นปัจจัยให้เกิดทิริโอตปะขึ้นความคิดในแนวนี้โบราณในบัณดิตทั้งหลายในสมัยอดีตนั้นบางครั้งบางคราวท่านก็อาศัยสิ่งที่เป็นรูปธรรม เป็นหลักค้ายันจิตใจเมื่อจับทิศทางอะไรยังไม่ค่อยได้ก็อิงอาศัยรูปธรรมแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นปัจจัยเสริมส่งให้ท่านสามารถเพิ่มภูณิริและอุตตระให้สูงขึ้นภายในจิตใจของท่านได้เช่นอาศัยสายตาของผีสางเทวดาต่างๆที่มีอยู่ในที่ต่างๆตามความเชื่อถือของท่านก็พร้อมที่จะละเว้นสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศล โดยความสำนึกว่าอายผีสางเทวดาเขาเป็นต้นพิริอุตปะที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นก็จะทำหน้าที่คุ้มครองใจและจะดึงธรรมะ ส, ส่วนอื่นซึ่งยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเป็นมากค้อนนี้จะเห็นได้ว่าการสมาทานศีลการรักษาศีลของบุคคลนั้นจะเป็นศีลห้าศีลแปดหรือศีลอะไรก็ตามเป็นเรื่องของเจตนา เนเรื่องของความตั้งใจความสำนึกของบุคคลเหล่านั้นที่จะประพฤติปฏิบัติให้ได้แต่ก็จริงแล้วก็ไม่มีใครไปโจดทวงไปดูว่ารักษาศีลได้หรือไม่ถ้าหากว่าบุคคลขาดอิริโอตปาเราก็พร้อมที่จะละเมิดศีลอะไรก็ได้เพราะเราก็ไม่ได้อยู่ต่อหน้าคนอยู่ด้วยไปแต่ถ้ามีอิริโอตปะเป็นหลักคุ้มครองใจศีลห้าประการก็เกิดขึ้นมาได้เอง เพราะไรเพระศีลท่านั้นเป็นการกระทําที่ขาดความละอายขาดความหวาดกลัวต่อบาปต่ออกุศลการฆ่าการกันถือเอาสิ่งของที่เจ้าของก็ไม่ได้ให้การรื้ผิดทางประเวณีการโ ก, รกหกปลกลวง ก, การดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทล้วนแล้วแต่เป็นการกระทําที่ขาดความละอายต่อบาปไม่สะดุ้งกลัวต่อผลแห่งบาหแห่งบาปต่างๆและกุศลธรรมต่างๆ ที่อาศัยฮิริเป็นฐานฮิริโอตปะเป็นพื้นฐานก็จะเกิดขึ้นมาได้เช่นพวกเมตตาก็ดีสมาชีพก็ดีหรือว่าการจงรักภักดีในสามีการซื่อทรงตอบการไม่นอกใจพัญญาการพูดคำศาสตร์คำจริงคำประคำไปร้ออ่อนหวานคำสมานสามัคคีในคำที่มีประโยชน์ตลอดถึงความมีสติยับยั้งชั่งใจควบคุมจิตใจของตนเอาไว้ไม่ให้กระทาอะไรลักษณะที่ฟังพลาดงานขอ้อ งานของหิริคือความละอายแก่ใจกับงานของสติคือความระลึกได้นั้นบางทีทํางานในจุดเดียวกันในกรณีเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการปิดกั้นกระแสะแห่งอกุศลเอาไว้ข้อนี้ได้มีเทวดาตนหนึ่งได้มากราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าคนในโลกนี้สามารถที่จะกีดกั้นอกุศลเอาไว้ได้หรือไม่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าคนที่สามารถใช้ริอุตปะปิดกั้นกระแสแห่งอกุศลเอาไว้ได้นั้นมีอยู่แต่ว่ามีอยู่น้อยเพราะอะไรเพราะเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วบางครั้งนั้นรักษาเอาไว้ได้ตอหน้าคนแต่รับหลังคนรักษาไม่ได้บางครั้งรักษาได้ในสถานการณ์ปกติแต่พอสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปกลับรักษาไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นว่าในลักษณะที่สับสนชุลมุนวุ่นวายต่าง เราจะเห็นว่าในขณะนั้นคนจะนึกถึงตัวเองเพียงอย่างเดียวไม่นึกถึงบุคคลอื่นธรรมะที่ควรจะมีมันก็หายไปหมดเลยแต่ถ้าพื้นฐานทางใจที่แข็งจริงๆมีฐานคือริโอตปะคุ้มครองได้จริงๆแล้วบุคคลก็จะหยุดความคิดที่เห็นแก่ตัวเอาไว้แล้วก็พร้อมที่จะสำแดงออกซึ่งความมีธรรมะภายในใจของตนทางกายบ้างทางวา จ, จาบ้างตามสมควรแก่กรณี การที่บุคคลเสริมสร้างกิริโอตปะให้บังเกิดขึ้นจึงเป็นการทาตนเองให้เป็นเทวดาเพราะอะไรเพราะว่าเทวดาคือผู้ที่ประเสริฐโดยธรรมดังกล่าวแล้วและเป็นผู้ที่มีจิตใจสบายเพราะอะไรเพราะมองอดีตก็ดีมองปัจจุบันก็ดีไม่เห็นมนทินโทษต่างๆที่ควรแก่การละอายควรแก่การเสียใจ เรื่อกลัวต่อการโจดทวงกลัวต่อการตำหนิของบุคคลอื่นจะไปไหนมาไหนก็ไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครๆเพราะเหตุแห่งเวรแห่งภัยได้สงบระงับดับลงแล้วเนื่องจากคิริอุตตปะเป็นตัวคุ้มครองจิตใจของบุคคลเอาไว้บุคคลจึงสามารถเป็นเทพได้ด้วยธรรมะเพียงสองประการนี้และจากธรรมะสองประการนี้เองก็เป็นการควบเป็นการดึงเอาธรรมะส่วนอื่นๆ คือกุสนธรรมเหล่าอื่นให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นและถ้าหากกูาสามารถกระจายออกไปได้การอยู่ร่วมกันภายในครอบครัวของบุคคลทั้งหลายก็จะเต็มไปด้วยเทพบุตรเทพธิดาคือเป็นเทวะผู้ประเสริฐด้วยกันทั้งนั้นบ้านถึงแม้จะเล็กจะอะไรไปบ้างแต่ก็กลายเป็นสวรรค์วิมานที่มีความโปร่งความเบาสบายทุกคนมีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีจิตใจเบิกบาน ไม่มีเรื่องขุนมัวขัดแย้งหรือมีปฏิฆะต่อกันเป็นต้นลักษณะของธรรมะทั้งสองประการนี้จึงทรงสแสดงว่าเป็นเทวธรรมเป็นธรรมะที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาด้วยอัตภาพร่างกายในปัจจุบันนี้แต่อย่าลืมถึงพระพุทธวัจนาที่ทรงใชง um ้คำว่าฮิริโอตับปัสมปันาคำว่าสัมปนานั้นคือต้องมีสมบูรณ์พอสมควร ไม่ใช่ว่านานๆจะมีสักครั้งหนึ่งถ้ามาอย่างนั้นแล้วผลที่ทรงแสดงไว้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นเมื่อทรงใช้ธรรมะเพียงสองข้อจึงต้องเน้นในเชิงการประพฤติปฏิบัติว่าต้องสัมปันนาคือสมบูรณ์หรือถึงพร้อมด้วยฮิริอุตปะที่เมื่อฮิริอุตปะบังเกิดขึ้นแล้วจะสำแดงออกได้เองโดยอัตโนมัติมันเหมือนกับอะไรมันเหมือนกับวิชาความรู้ต่างๆที่เรา ศึกษาเราเรียนมาทํางานเหล่านั้นจนชํานิชํานาญแล้วมันเกิดขึ้นได้เองโดยอัตโนมัติมีปัญหาก็แก้ไขเองได้โดยอัตโนมัติเช่นเรียนเรียนเครื่องยนต์กลไกามาจนชำนิชํานาญพอได้ยินเสียงเครื่องเท่า น, นั้นก็รู้มันเสียตรงไหนเป็นต้นนี่ก็คือการเก็บการสะสมการกระทํำบ่อยๆและเกิดขึ้นบ่อยๆจนกลายเป็นชนํชนานิชํานาญที่เรียกว่าวัสีธรรมะทุกชั้นจึงอยู่ในจุดที่ต้องเป็นวัสีได้ คือต้องมีความชำนิชำนาญคล่องแคล่วจ ร, จริงๆเกิดขึ้นได้โดยอัโยอตโนมัติดังกล่าวผลที่ทรงแสดงไว้ก็จะบังเกิดขึ้นตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติของตนต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป